มักมีองค์แปดจัดรวมเป็นสาหมวดท่านวิสาขาผู้มีอายุกองธรรมสาหมวดสงเคราะหด้วยอริยะอัตถางกิกรรมักหามิได้อริยะอัตถังกิกรรมักต่างหากสงเคราะห์ด้วยกองธรรมสามสัมมาวาจาก็ดีสัมมากัมมันตะก็ดีสัมมาอาชีวก็ดีธรรมะเหล่านี้สงเคราะ์เข้าด้วยศีลขันธ์ สัมมาวายามะก็ดีสัมมาสติก็ดีสัมมาสมาธิก็ดีธรรมะเหล่านี้สงเคราะห์เข้าด้วยสมาธิขันสัมมาทิฏฐิก็ดีสัมมาสังกัปปะก็ดีธรรมะเหล่านี้สรงเคราะห์เข้าด้วยปัญญาขันในที่นี้คําว่าอริยะอัฏฐางกิกรรมกับอริยะอัดสดางกิกมรรมมีความหมายเหมือนกันนะครับ หรือที่คนทั่วไปเข้าใจโดยง่ายก็คือมัคมีองค์8นั่นเองมัคก้าวไปด้วยไตรสิกขาที่เป็นระบบการศึกษาสำหรับสร้างอารยาชนภิกษุทั้งหลายสิกขาสมนี้3เป็นชนหนคืออธิศิลศสิกขาหนึ่ง อธิจิตติสิกขาหนึ่งอาธิปัญญาสิกขาหนึ่งิกษุทั้งหลายก็อาธิศิลสิกขาเป็นชไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมคสังวรสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจระหรือโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอาธิศิลสิกขาภิกษุทั้งหลายก็อาธิจิตสิกขาเป็นชนัยภิกษุในธรรมวิเ น, นียนี้สงัดจากก ร, รมสงัดจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจารณมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เข้าถึงทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตภายในมีภาวะใจเป็นหนึ่งผลขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารณ์ระ ง, งับไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เพราะปิติจางไปเธอมีอุเบกขาอยู่มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนาม ก, กายเข้าถึงตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวว่า เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะลาสุขลาทุกแลเพระโสมนัสโทมนัสดับหายไปก่อนเข้าถึงจตุทัตาชานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิจิตตสิกขาภิกษุททั้งหลาย ก็อธิปัญญาสิกขาเป็นไนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุก์นี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับทุก์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิปัญญาสิกขาภิกษุทั้งหลายสิกขาสามนี่แล